เกี่ยวข้องกับของสงนี่มันอันตรายเราขึ้นชื่อว่าของสงนี่เพระว่าเอาไปเป็นของส่วนตัวยิ่งเฉพาะอย่างฆราวาสไปแล้วนี่ก็เป็นโทษเหมือนอย่างท่านเล่าถึงกากระเพล่นั่นแหละกากระเพล่นี่อดีตชาติก็เป็นยังไงอดีตชาติของกากับเพล่นี่มันไปกิน มันไปกินอาหารที่เขาตั้งใจอุทิศเป็นสงฆ์นะมีเขาทํากระปิอาหารเนี่จะนําไปถวายพระสงฆ์นี่แหละเขาตั้งใจของเขาว่าจะถวายพระสงฆ์เนี่ยจะไปยังไม่ถึงวัดไปวางหาบสําหรับกับข้าวอาหารนั่นน่ะวางไว้อาจจะไปถละอะไรอาจจะไปเก็บผักหรืออาจจะไปอัดวะอุจจละอะไรก็แล้วแต่ในระหว่างทางเนี่ย กามันเห็นไงมันไปโชบกินนะ่ะกามันไปขโมยกินมันไปโฉบกินนะมันก็ไม่รู้ว่าเป็นเป็นอะไรแหละมันเห็นว่าเป็นอาหารแล้วมันก็เอาอะ่ะทั้งๆที่ของนั้นยังไม่ถึงพระนะยังไม่ถึงมือพระแต่ว่าการตั้งใจของเขาเนี่เขาตั้งใจเป็นสงนของนั่งเลยกลายเป็นสงเป็นของสงหลังจากกาไิจิบ ก, กินนะ่ะกาตัวนั้นนะ่ะ ไปตกนรกหมกไหม่ไม่รู้เท่าไหรต่อเท่าไร ล, ล่ะกี่กับกี่กขั้นคำไม่รู้แหลอะอพอกรรมมันเบาลงเบาลงเบ า, ล ง, บาลงถึงขั้นเป็นเปรตได้มาเป็นกากับเปรตมาเป็นกา ก, กับกากับเปรตพระพุทธเจ้าท่านทราบนี่พวกนี้เป็นเปรตเป็นกากับเปรตย้อนถามย้อนอดีตชาติก็อดีตชาติเคยสร้างกรรมแบบนั้นแหละ เราฟังดูแล้วเราน่ากลัวเหมือนกันการเกี่ยวข้องกับของสงต้องระวังมากๆต้องรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะที่สำคัญที่สุดก็คือถือเอาแบบขโมยนี่อันนี้ร้ายกาศร้รายแรงมากถือเอาแบบขโมยกิริยายังไงที่เป็นกิริยาขโมยให้เรารู้จักกิริยาเอาไว้กิริยาของขโมยก็คือ เราอยากได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่ไม่อยากให้เจ้าของเขารู้ว่าเราเอ า, อาเช่นอย่างเราจะหยิบนุ่นหยิบนี้เอาไปเนี่ยเราดูซ้ายดูขวาดูแล้วไม่เห็นมีใครเห็นเจ้าของเขาไม่เห็นคนอื่นก็ไม่เห็นแล้วก็ถือเอากิริยาแบบนี้ท่านเรียกว่ากิริยาขโมยแต่ถ้าเราดูแล้วเนี่ยเราเห็นเจ้าของเขาอยู่ใกล้ๆเราเห็นคนอื่นรู้คนอื่นเห็นเราไม่กล้าเอา เราไม่กล้าเอาจะบอกจะขอก็ไม่กล้าบอกไม่กล้าขอกิริยานี้เป็นกิริยาขโมยนี่เราไม่ต้องเอาอะไรมาตัดสินเราเอาเจตนาตัวนี้นี่คือของที่เราขโมยเอาขโมยเอาไปเป็นของถ้าเป็นของใช้เราก็ขโมยเอาไปใช้จะเป็นของบริโภคของกินได้แล้วก็เอาไปกินไปบริโภค ปัญญาแบบนี้เรามาอยู่ใกล้ของสงนี่อันตรายให้เรารู้จักเอาไว้อันนี้เป็นข้อคิดเป็นกติเตือนใจสอนใจได้ทั้งท่านทั้งเราทั้งพระทั้งโยมนยยั่นแหละเกี่ยวข้องกับของสงโทษโทษมากเรื่องของสงนั้นเป็นเรื่องของส่วนรวมเพราะงั้นพุทธเจ้าท่านทรงวางไว้ในสิ่งที่ดีที่เหมาะเช่นอย่างเราไปในที่นิมนต์เนี่ยเขาถวายพัทฐ า, ารเนี่ยเขาถวายเป็นสงเนี่ย อิมานิมายังพันเตพัตตานิสัพปริวรานิสังคัสสะโอนุชยามะคือให้แก่สงฆ์โอนุชยามะให้แก่สงฆ์สังคัสสะโอนุชยามะภิกษุสังคัสสะโอนุชยามะหรือให้แก่ภิกษุสงฆ์หรือให้แก่พระสงฆ์ uh, สาสชนบันเตสังคัสสะ สาธุโนพันเตสังโฆอิมานิสัพ ป, ปริวารานิพัฒตานิสัพ ป, ปริวารานิหรือจตุ ป, ปัจจญานิสัพ ป, ปริวารานิมันใช่ทั้งหมดแหลระรัชนะการบริโภคที่ถูกต้องท่านจึงอัปโลกเห็นไหมถ้าเราเคยไปในกิณิมนต์เนี่ยพระสงฆ์ท่านจะอัปโลกเพราะเขาถวายเป็นสังัาสะแล้วเนี่ยจะต้องมีพระองค์หนึ่งอัปโลก คำอปโลกท้าแปลก็คือการแจกอัปโลกแรีว่าแจกหรือจำแนกหรือแจกแจกของที่เขาถวายนั้นแจกของที่ถวายนั้นนี่ท่านถือว่าแจกถ้าเราทําเป็นกิจลักษณะเราก็ต้องมาว่าเป็นคําบาลียักเเคปันเตสังโขชานาตุชานาติอยังปัธรรมภาโคเทรสสะปาปุนาตุ อ, อวสเสซาภาคาอัมหากังปาปูณาติเซซาภาคาอัมหากังเสซาพาคาสัมเนราวากะหัตทาว่ายาท้าสุ ข, ขั้งปริพูนจันตุอ่านทั้งบทนี้แจกกับสงฆ์แบ่งกับสงฆ์ส่วนหนึ่งเป็นของพระเถระส่วนหนึ่งเป็นของข้าพเจ้าที่เหลือนอกจากนี้เป็นส่วนของสมณเณรเป็นส่วนของฆราวาส เป็นส่วนของคือหัตหรือของอนุปสัสมบัตเพราะแบ่งจำเนตโดยกิจลักษณะแบบนี้แล้วก็ถือว่าใครเอาไปใช้สอยก็ไม่เป็นโทษแต่ว่าอาหารที่ประสงค์ท่านจัดใส่บาตรแล้วตกไปเป็นของเหลือเป็นหม้อเป็นอะไรแต่ออไรเหมือนอย่างที่เราทําทุกวันเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นของที่สงท่านเอาไว้แล้วไม่เป็นโทษถึงจะอับรหรือไม่อับหรกมันไม่เป็นโทษ แต่ถ้าเขาถวายสังกัสะโอโนโอซียามะนี่มันชัดเจนเนี่ยต้องอัปโลกไม่อัปโลกบางคนเขารู้เนี่ยเขาไม่กล้าบริโภคไม่กล้ากินในชีเออย์คาวาสทั้งหลายทั้งปวงบางแหง่งบางบ้านเนี่ยเขาไม่กินเลยนะเขาไม่กินถ้าเราอย่างเราไปที่วัดเขาน้อยเนี่ยหลวงปู่สุวัตท่านวางวางเอาไว้เนี่ยเขาจะมีเสียสังมังคลังยาจามิทุกครั้งอ่ะ หลังจากที่พระสงค์บริโภคแล้วเนี่ยคือถ้าไม่ไหวยงั้นเนี่ยเขาไม่กินเขาไม่บริโภคสมเนรจักาทาจะกยะท่ า, า, า, า, าสุ ข, ขัง้งปริภุนจันตุบริโภคโดยความเพื่อความสุขโดยความสุขเถิดสมเนนคืหัดบริโภคโดยความสุขที่ท่านมีการอัปโลกทีนี้เรามาพูดถึงวัดป่าเราอ่า รวมไปถึงสิ่งของอีกนะที่เขามาถวายเป็นสังฆศักดิ์เพราะวัดป่าเราในเราทราบกันดีในหมู่พระสงค์เราเนี่ยเราถือว่าของอะไรทุกสิ่งทุกอย่างตกมาเนี่ยมูมีสิทธิ์ที่จะเอาไปใช้ได้เลยเพราะเราเปิดกว้างเอาไว้อไม่ต้องบอกไม่ต้องขอต้องการมีความจําเป็นอะไรก็เอาไปใช้เอาไปสอยได้ออย่างกระถินเนี่ยอย่างกระถิ่นเนี่ยเราก็รู้กันดีพอเวลาเราถวายกระถิ่นเสร็จเออมีอะไรก็แจกกันหด้า นี่เราพูดแบบภาคปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องไปอปิโลกนะโดยไม่ต้องอปิโลกอย่างบรรดาลเราก็ติดตามบรรดาลบรนตาลเหมือ น, นกันนะท่านเถือเออมีอะไรก็แจกกันใช้สอยเนี่ยไม่ต้องมาถามเราไม่ต้องมาขอเราอันนี้เป็นคติตัวอย่างของวัดป่าเพราะฉะนั้นเราใช้เ ร, เราใช้ป่าราใช้ไปบางคนก็อาจจะไม่รู้จักบางแห่งเขาอปิโลกว่ากล่าวคําเป็นกิจลักษณะ แต่พวกเราถือตามกติตดดัวยอย่างของหลวงตาคือเอากับปานี่แหละพูดด้วยคำพูดธรรมดาธรรมดาใครต้องการอะไรจับจ่ายใช้สอยอะไรใช้สอยอะไรที่เหมาะสมเก่เจ้าของหนึ่งก็เอาไปใช้สอยตามสบายคือถือว่าคำนี้เป็นคำแจกโดยอัตโนมัติเป็นคำอปโลกเป็นคำแจกเช่นอย่างเขามาถวายพระพระปาเงี้ยสังคสสะโอนอชยามาหนิ มีของอย่างเป็นกองเป็นกองเป็นกองด้วยเหตุที่เราก็ถือถือคติอันนี้เราไม่ต้องอับโลกละรเราไม่ต้องอับโลกเอาไปละใครต้องการใช้สอยอะไรก็เอาไปใช้สอยลดอืมแต่เรามีหนะ้าที่เจ้าที่คอยดูแลใครต้องการอะไรก็ไปบอกใครต้องการอะไรก็ไปบอกเช่ อ, อย่างทุกวันนี้ใครดูแลท่านถาหรือใครเนี่ยอใครต้องการอะไรก็บอกใครต้องการอะไรก็บอกอันไหนที่เหมาะสมกับ เจ้าของเจ้าควรจะเอาไปใช้แล้วก็เอาไปเอาไปใช้เอาไปเกินพอดีพอเหมาะไม่เหมาะสมกับตัวเองก็ต้องดูให้ดีอีกทีหนึง่งบางคนเห็นแก่ได้ขอไปกอบโกยไปกบไปตุนเอาไว้นี่มันไม่เหมะไม่สมก็ดูความพอดีพอเหมาะพอสมของดีของ ด, ของดีของอะไรที่เขาให้มาเขาถวายมาก็ต้องดูอ่ะอะไรเหมาะสมรับเรามันความพอดีความเหมาะสมมันมีอยู่ เอออันนี้สมควรถึงแก่อาจารย์เนี่ยคนนี้สมควรถึงแก่ผู้อาวุโสองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นเนี่ยเรต้องดูของนี้สมควรถึงแก่เราเราเห็นว่าอะไรจําเป็นมากที่สมควรแก่เราเราก็าไปบอกถ้าเพื่อเรามีความตุกิตตะขวงใจบางทีไม่รู้จักไม่รู้จักฐานะจะของมันก็นแย่มันกันอีกนะ <c oughs> เคยมีแหละบางคนเนี่ยเอาไปตุนไว้เอาไปตุนไว้เอาไปตุนไว้ นี่เอาไปตุนไว้บางทีเอาไปตุนไว้แทนนี่อเอาไปเอาไปตุนไว้แจกโยมนี่ก็มีซึ่งของบางอย่างน่ะมันเหมาะสมกับพระเนี่ยเอาไปตุนไว้ตุนไว้แล้วไปแจกโยมยิ่งก็ผิดเหมือนกันบางครั้งเหมือนกันนะอย่างที่บรรดาสมัยเราอยู่นบางครั้งเราต้องไปเดินขอหมู่นะหมูเขาเอาไปเก็บไว้ให้เราไปดูในตู้ ตู้ที่ใช้ไปจำวันไม่มีเราดูไม่มีแล้วก็ไม่มีอะไรใช้เหละมันตัดสมัยเราอยู่ก็ของก็ยังไม่เหลือเฟือมากบางที่ของที่เป็นของสงตกไปนี่นะไปดูไม่มีอะไรเ น, ะนี่ยางทีสบู่เอ่ยยาจีฟันเอยต้องไปเดินเดินไปขอหมูแหละในตู้นั้นมันไม่มีมันไม่พอแต่บางองค์เหลือเฟื่อเฟือนั้นก็มีเราก็ดูแหละของใครของใครเราก็ดูไว้รักษาไว้ เราก็ดูไว้ศึกษาไว้เป็นกติตัวอย่างที่จะเอามาปรัพฤติปฏิบัติให้กับตัวเราอันไหนเป็นสิ่งที่ดีที่งามที่ถูกเรายึดกติตัวอย่างอันนั้นเป็นที่ดีที่งามที่ถูกอ <pumping architect> หากมันเป็นไปตามจรินยนิสัยดอกอันนี้คนที่มีนิสยัยโลภโลภอยู่นั่นแหละคนนี้คนที่มีนิสัยนิสัยมักน้อยสันโดดเขาก็มีนิสัยมักน้อยสันโดษอยู่นั่นแหละ um บางคนนี่ บางค น, นไม่แจกไม่ได้ใช้เลยนะแม้แต่ของอยู่ท่ามกลางของสงที่วางไว้ให้หมูไปหยิบใช้ก็ไม่กล้าเอาใช้เราอยู่กับหลวงปู่เขียนเนี่ยถ้ามีของตกมามาก ๆ, ๆเนี่ยส่วนหนึ่งท่านแจกเอามาแจกเป็นสบู่เป็นแฟบเป็นยาซีฟันเป็นอะไราที่กะ ว, ว่าพอเน่ยอยู่กันห้าองค์สิบองค์เนี่ยต้องเอามาแจกอีกส่วนหนึ่งท่านเก็บไว้ในที่ส่วนรวมท่านให้เหตุผลว่า บางองค์ท่านมีนิสัยมักน้อยสันโดษขี้อายถ้าไม่แจกก็ไม่กล่าวเอาไปใช้อีกทัน่เหตุผลแบบนี้แต่เราอยู่นี้เราไม่ได้แจกนะดูมันเราจะแจกเวลามีกระถิ่นมันก็ให้หมู่เอามาแจกบ้างเพราะของอยู่นี้บางทีก็มันก็ไม่มากพอที่จะแจกเป็นชิ้นสองชิ้นอันสองอันสี่อันห้าอันอะไรนี่เ้วก็ไปเก็บส่วนส่วนรวมใครขาดเขินก็มามาบอกเอาไปใช้ และที่เก็บเราไว้เปิดโดยที่เราไปเปิดโดยไม่ใส่ไม่ล็อกกุญแจนี่มันก็ไม่ปลอดภัยเราวัดป่ามันไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นจึงมีกุญแจใส่แล้วก็คนที่ดูแลรักษาก็มีใครต้องการก็มาเอาไปใช้รวมถึงไม่ออกพอออกใครก็ตามที่มาอยู่วัดอยู่ประจำในวัดเนี่ยก็มีสิทธิ์มาบอกมาเอาไปใช้ได้อืมมันอาจจะไม่ทั่วถึงดอกเพราะของไม่มาก อย่งในครัวบรงทีก็ไม่รู้กี่เดือนกี่ปีอะได้จัดเอาให้สักครั้งหนึ่งแล้วขาดเพืน อ, อะไรยังไงเก็ไม่เคยมีใครมาบอกบางครั้งมันมีพอแล้วก็ให้จัดไปบางครั้งไม่มีไม่มีมีไม่พอก็ไม่ได้จัดให้ไปแต่ถ้าถามบอ ก, กต้องบอกซะก่อนกูมาไม่เมียนั้นใช้ไม่เมียนี้ใช้ก็ต้องบอก พ้นจะได้มาหาดูก่อนว่ามีไหมมีพอที่จะเอาไปเกะกันไห ม, มนี่เราต้องเข้าใจเหมือนกันเพราะสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวกับของใช้ของสอยอของใช้ของสอยที่เป็นละหุพันนีก่กระโถดไม่หนักนะคำว่าละหุพันคือคือของเบาๆแหละของเป็นแฟบเป็นสบู่เป็นแปรงสีฟันยาสีฟัน พวกกระไดเหล่านี้เป็นละหุพันธ์อันนี้ไม่ค่อยมีโทษแต่สิ่งที่ได้มาแล้วท่านเรียกว่าครุพันธ์ครุพันธ์พอตกมาในนี้แล้วเป็นของสง์อย่างเดียวประเภทโลหะทั้งหมดเป็นของสงอย่างเดียวนับตั้งแต่มีดจอบอมีดผ้าจอบขวานซิวอะไรทั้งหมด เป็นโลหะทั้งหมดนะเป็นคารุพันเป็นของหนักตกมาเป็นของสงทั้งหมดรวมไปถึงว่าช้อนทั พ, พีถ้วยแกงถ้วยชามจานกระมงกระมงังถาดเถิดอะไรนี่รวมไปถึงตะลงตะ ล, ลิว่วรวมไปถึงกระทะอะไรต่ออะที่เป็นโลหะทั้งหมดเนี่ตกมาเป็นของสงทั้งหมดใครถือเอาถือว่าเอาของสงจั ง, จง ท่านเรียกว่าครุพันธ์ครุพันธ์มีโทษหนักพวกเราเป็นผู้อยากได้บุญอยู่แล้วเราต้องรู้จกักรู้ต้องรู้จักทิศทางที่รู้ต้องรู้จักวิธีเบี่ยงบายสิ่งที่จะทําให้เกิดโทษไม่งั้นเราเปชื่อว่าเราเราต้องการความดีแต่เราไม่รู้วิธีทางวิถีทางที่จะเอาความดีมันก็ลําบากเหมือนกันมีการอยู่ในวัดเนะี่ย ถ้าเราอยู่อย่างถูกต้องเนี่ยวันคืนล่วงไปมีแต่ผลมีแต่อานิสงส์ยิ่งใหญ่ไพศาลไม่มีอะไรเท่าแต่ถ้าเราอยู่อย่างไม่ถูกต้องเนี่ยวันคืนล่วงไปด้วยโทษวันคืนล่วงไปล่งไปเนี่ยกลับว่าเป็นเราอยู่ด้วยโทษการที่เราอยู่สิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือเราต้องการบุญทุกวันต้องการบุญทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกต้องการบุญ จากการเสียสละเรียวแรงเสียสละวัตถุจริงของทําบุญให้ทานเสียสละเรียวแรงทํานุ้นทํำนี้ก็ถือว่าเป็นการให้ทานเสียสละการให้อภัยนีย่ก็ถือว่าเป็นทานสิ่งที่สําคัญสิ่งหนึ่งในการให้อภัยในการให้ไปแล้วนี่เป็นทานมากกว่าอย่างอื่นก็คือให้อภัยทานเพราะการให้อภัยทานเนี่ยมันมันได้ผล ได้ผลผู้ที่ให้อภัยไม่ถือโทษโกรธเคืองไม่ถือโทษโกรธแค้นไม่อาฆาตไม่พยาบาทไม่คอยจองร่างจองผลนันซึ่งเวียนซึ่งภั ย, ซ, ภยซึ่งกันและกันอันนี้เราควรให้มีถ้าเราไม่มีแล้ววันคืนล่วงไปนั่งอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทคนนั้นคนนี้นั่งคอยรับแต่โทษโทษทุกลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราต้องรู้จัก เรียวแรงเราก็สละเสียสละทําไปเราเสียสละไปเท่าไหรเป็นผลเป็นประโยชน์เป็นรายได้ของเราทั้งหมดเราไม่ต้องไปคิดว่าคนนั้นทําคนนี้ทําำเราทําคนนั้นไม่ทําคนนี้ไม่ทําใครทําก็คือผลประโยชน์คือผลรายได้ของเขาเพราะเรื่องของกรรมมันเป็นเรื่องว่งชัดมาถึงประโยชน์ตนมาถึงประโยชน์ท่านท่านทํากรรมยังไงก็เป็นกรรมของท่านผลประโยชน์รายได้ก็หลังไหลเข้าสู่หัวใจของท่าน เราทำยังไงก็คือผลประโยชน์ของเราทำดีหรือทำชั่วก็เป็นผลประโยชน์ของเราเราต้องเลือกเอาเนี่ยเราต้องการไม่ความชั่วนะเลือกเอาเราไม่ต้องการเราก็พยายามละพยายามเว้นพยายามศึกษาเมื่ออย่างเราฟังเทศหลวงตาท่านพูดตั้งแตพ่พื้นไปจนถึงนุ่นนะท่านพูดถึงอะไรนี่ยเรื่องการปฏิบัติขัดเกลาอะไรต่ออะไรท่านพูดถึงละเอียดลึกเข้าไปเลึกเข้าไปลึกเข้าไปจนถึงการปฏิบัติเพื่อความสงบ การปฏิบัติเพื่อทำลายอาสวะเกลยียดด้วยสติด้วยปัญญาด้วยมหาสติด้วยมหาปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังเราก็สะสมเอาเอาไว้อันนี้เป็นความรู้เราอยากทำอยากดีอยากงามอยากถูกต้องอยู่แต่เราไม่สะสมความรู้เราไม่สังสงความรู้เราก็ทำผิดผิดถูกๆูอย่างนั้นแหละอย่าไปทำอะไรตามๆกันถ้าเขาทำดีก็ถือว่าถูกไปถ้าเขาทำไม่ดีเนี่ย เราก็พลอยไม่ดีตามเขาอันนี้เป็นเรื่องที่อันตรายมากทำอะไรตามตามกันโดยที่ไม่เข้าใจทำอะไรตามกันก็ต้องเข้าใจด้วยเช่นอย่างผู้เก่าเนี่ยบางทีภามันพาผู้ใหม่ทำไม่ถูกเนี่ยเป็นเรื่องของบาปของกรรมเนี่ยแล้วเราก็ทำตามเขาเราก็พลอยเป็นเป็นคนทําไม่ดีตามเขาไปเท่ที่เราจะมาอยู่เพื่อดี แล้วราแต่เรากลับไม่ดีตามเขาไปต้องพิจารณาต้องไขขคว้วต้องมีเหตุผลเป็นของตนเองมีสําคัญอยู่นะมีความสําคัญอยู่ไม่ว่าจะเป็นคราวา่าตไม่ว่าจะเป็นภิกษุสา ม, มเณรเราเนี่ยการทําอะไรตามเขาต้องรู้แน่ชัดว่าถูกต้องดีงามสมมุติเราจะบอกจะสอนเขาเนี่ยเราก็ต้องแน่ใจว่าสิ่งนี้แหละถูกต้องที่สุดแล้วแหละถูกต้องโดยทําโดยวินยัยแล้วก็บอกไปแล้วก็สอนไป ไม่ใช่บอกไปสอนไปเฉยๆบอกสอนไปด้วยความเมตตากรุณาหวังหวังอย่างหนึ่งคือหวังได้บุญจากเขาจากที่เราบอกไปเราสอนไปแล้วเนี่ยนไปบอกสอนด้วยความเมตตาแต่ถ้าหากบอกสอนด้วยความไม่เมตตาเนี่ยบอกสอนไปแล้วเขาอาจจะพลั้งเถอบ้างอะไรบ้างไม่ได้ทําตามที่เราบอกเราสอนอโมโหโถโซยเเขาเหมือนเราเคยเห็นเห็นแล้วแหละเราเคยเห็นแล้ว มีคนสอนอยากให้อยากให้เนเนเนี่ทําตามปฏิบัติตามเนนไม่ฟังเ น, เนี่ยโหเราก็เป็นหัวหน้าด้วยเนะนุนนนนน่นอยู่นะุ่นอยู่มันโพนน่ะเราเป็นหัวหน้าวัดเนี่ยอมาขออนุ ญ, ญาตเราขออนุญาตเราไม่รู้ว่าขออนุญาตไปทําอะไรเลยไปไปสอบไปเขาเนเนนั่น คือบอกแล้วเขาไม่ทําตา ม, ตามคือไม่มีเมตตาในเมื่อเรามีเมตตากรุณาบอกเอาไปแล้วสอนเข้าไปแล้วเขาเอาก็คือเขาฉลาดเขาตั้งใจจะเอาถ้าเขาไม่ฉลาดเขาไม่ตั้งใจจะเอาก็เรื่องของเขาไม่จําเป็นเราจะต้องไปดุไปว่าไปทําอะไรเพิ่มเพิ่มเติมอะไรเขาถึงขนาดนั้นคนที่มันจะยอมเราจะฟังเราเนี่ยมันดูไม่ยากหรอกมันดูไม่ยากมันฟังไม่ยาก ไม่ต้องไปพูดถึงถึ ง, ถ, งถึงกับขั้นต้องขม่มต้องขู่ต้องอะไรเขาไม่ถึงขนาดนั้นมันรู้ไม่ยากหรอกคนที่เราบอกไปแล้วฟังเราเนี่ยคนที่เราดูไปแล้วเห็นว่ามันไม่ค่อยฟังเราเนี่ยเขาก็ามีเหตุมีผลของเขาก็าอย่าเพิ่งไปว่าเขานี่ก็ต้องระวังต้องระวังมากๆทั้งพระทั้งเนียนทั้งคนวัดของเราทั้งหมดนั้นอย่าไปเอาอะไรต่อละไปขม่มไปขู่ไปอะไรเขา ออย่างเราเนี่เราบางทีเราให้หมูเนี่ยเราให้หมูเราเครียดแทนหมูอะ่ะบอกอย่างนั้นก็ไม่ได้บอกอย่างนี้ก็ไม่ได้เราก็เครียดแทนหมูเครียดกับกิเลสเนี่ยเครียดแทนหมูบางที่ก็พูดให้รู้สึกหนักๆบ้างอะไรบ้างอันนี้ด้วยเจตนาที่เราบอกเราสอนเพราะบางคนนี่บางคนนี่ยมันเป็นประเภทครูบาอาจารย์ท่านเคยเทศนะ์อ่ะ บางคนมันเป็นประเภทขังคอกท่นบอกว่าขังคอกเน่ะถ้าไม่ถูกตีลายยางไม่ออกท่านฟังงั้นนะเราสังเกตดูขังคอกก็แล้วกันลองเราเห็นขังคอกดูลองเราเห็นขังคอก่อเห็นเราไปไล่มันเฉยๆมันก็ไม่มีอะไรลองเอาไม้ไปตีมันให้ยางออกยาออกทันทีอ่ะเราไปลองมาดูนะบางคนมีนิสัยที่ทิฏฐิมานมากแข็งกระด้างเนี่ย ถ้าไม่ถูกทุบถูกตีอย่างแรงเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะยอมหรือทุบตีด้วยเหตุด้วยผลด้วยข้อปฏิบัติที่ถูกต้องจริงจังเนี่ยถึงจะยอมนีบางคนได้ดีเพราะถูกดา่าเนี่ยถูกดาอย่างรุนแรงถึงจะรู้สึกเนื้อสึกตัวแล้วกลับเนื้อกลับตัวตั้งใจระพฤทธปฏิบั ต, บติแล้วได้อัไดได้ทขึ้นมาก็มีนี่ถ้าเราศึกษาประวัติครูบาอาจารย์เราจะทราบดี มันเป็นอย่างนั้นจริงๆทิฏฐิของคนมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาบางคนอวดรู้ทั้งๆ ท, ที่เจ้าของเนี่รู้ผิดผิ ด, ผดถูกๆ ก, กเนี่ยก็ยังอวดรู้บอกสอนอะไรก็อยาให้เขาทำตามทั้งหมด <c oughs> บางคนก็มีกำลังมากมีเรี่ยแรงมากแล้วก็มีอํานาจมากน่ก็ชอบคมคมขู่ขูมันมีไปจําเนี่ยทุกสังคมแหละที่ต้องระวังต้องระวังมากมาก ผู้ที่จะคม่มจะขูหมู่จะอะไรหมูลเราจะต้องดีกว่าหมู่คำว่าดีในที่นี้จะต้องดีด้วยศีลดีด้วยธรรมไม่ใช่ดีด้วยโลกต้องดีด้วยธรรมอะไรคือดีคืองามคือถูกต้องแล้วบอกไปเราบอกไปบางคนมีนิสัยปรามปลามไปก็รู้สึกจะฟังบ้างแล้วก็ปรามไปแต่ถ้าเ ร, าเราดูแล น, นิสัยก็มีทิฏฐิมรณะมากอะไรมากมันก็เป็นการไป สัมผัสกันให้เกิดโทษเฉยๆเราก็ต้องระวังอันนี้นะคือความเกี่ยวข้องด้วยกันเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เรามีความเกี่ยวข้องจะพูดจะบอกอะไรกันอย่างหนึ่งที่เราควรตั้งเอาไว้เมตตากรุณาอเมตตาก็แล้วกรุณาก็แล้วไม่ทําตามที่เราบอกเราสอนอได้ดีอะไรมาเราก็ดีใจด้วยอะไรด้วยอยู่แล้ว ก็ยังไม่ได้เรื่องเราก็ต้องอุเบกขาคำาอุเบกขาก็คือคิดนึกในใจตัวเองนึกถึงกรรมของเขานึกถึงกรรมของเรากรรมของคนกรรมของสัตว์มันหนามันปุ๊บมันร้ายกาศมันร้ายแรงมันโหดร้ายทารุณมันใจโหดร้ายอั ม, มหิตถึงขนาดนี้ขนาดนี้เราก็พิจารณาถึงกรรมของสัตว์ไปเขาทํากรรมอันใดไว้ ดีก็ตามไม่ดีก็ตามก็เป็นกรรมของเขาเราไม่ม the ีส่วนที่จะไปแบกหามกรรมของเขาถ้าหากเราไปกระทบกระทั่งกันมากๆเข้ากลายเป็นเราไปสร้างกรรมให้กับตัวเองนี่ต้องระวังเมตตากรุณามุจจตาอุเบกขาคําว่าอุเบกขาไม่ใช่วางเฉยแล้วก็อยู่เฉยๆคาว่าเมตตเมตตอุเบกขาหมายความว่าอุเบกขาด้วยเหตุผล อุเบกขาเนี่แหละมันเป็นหลักธรรมลึกละเอียดเข้าไปถึงข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติสลับผู้ผู้ที่ที่เมผู้ที่ตั้งใจเมตตากรุณาเขาเนี่แหละเพรา อ, อเบกขาไปนึกพิจารณาลึกละเอียดเข้าไปถึงกรรมของสัตว์โอกรรมของสัตว์ะบางคนบางคนบอกได้สอนได้บางคนบอกไม่ได้สอนไม่ได้เหมือนอย่างลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ย นายชนะนายชนะเนี่ยใช่ไหมนายชนะเนี่ยเป็นค่าใช้ข่าที่ใช้ไปจํานี่ยเวลารุ่นเจ้าออกบวชก็ชนะก็มาด้วยมาออกบวชตอนหลังมาชนะบวชพอพระชนะบวชแล้วเนี่ยพระชนะก็ถือตัวว่าเจ้าของอยู่ใกล้ชิดพระศาสดาอยู่ใกล้ชิดพระพุทธเจ้ามาก่อนก็เลยถือเนื้อถือตัวแบ่งไสคนนี้แบ่งใสคนนี้อ การปฏิบัติธรรมก็ไม่ก้าวหน้าไม่ไปหน้ามาหลังนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้า ก, ก่อนที่ท่านจะปรินิพานเนี่ยก่อนที่พระองค์จะปรินิพานพระองค์ก็ห่วงพระชันนะหลังจากเราป ร, ปรินิพานไปแล้วเนี่ยให้สงลงพรหมทันกับพระชันนะนจะไดงว่าพระชนะตอนนั้นยังไม่ได้มรด้ผลอะไรนี่นะลงพรหมทันคําว่าลงพรหมทันคือต่างคนต่างอยู่เฉยเหมือนพรหมทโทษแบบพรหม ไม่บอกไม่กล่าวไม่สอนไม่อะไรตอนอไรเพราะพระชนะถูกสงลงพรหมทันพระชนะเนี่ยถึงกับร้องไห้คนนั้นก็ไม่สนใจคนนี้ก็ไม่สนใจคนนั้นก็ไม่บอกคนนี้ก็ไม่สอนคนนี้นร้องไห้เลยสำนึกเลยระลึกรู้สึกตัวก็เลยกลับเนื้อกลับตัวมาแล้วก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติในชนะเนี่ยพระชนะตอนนี้มาเป็นพระชนะ แต่เราก็ไม่ทราบประวัตินะเบื้องเบื้องเบื้องปลายท่านเป็นพระอราหารันต์เปล่าพระชนะพระชันน ะ, ะนนะที่เป็นตามเสด็จบรรพชาลผสมบทของพระพุทธเจ้าแล้นะแสดงว่าพระชันนะนี่ล่วงไปหลังจากพระพุทธเจา้าพระนิพพานไปแล้วตายทีหลังพระพุทธเจ้าว่างั้นเถอะนี่คือเรื่องของทิฏฐิมานะ เราพูดถึงเรื่องสิ่งของของสงฆ์การใช้สอยของสงฆ์ก็ใหเรารู้จักให้เราเข้าใจคำว่าของสงฆ์นี่มันโทษหนักของสงฆ์ที่เป็นละหุพันธ์ก็โทษเบาหน่อยของสงฆ์ที่เป็นครุพันธ์คำว่าครุพันธ์ในที่นี้เป็นประเภทโลหะทั้งหมดคำว่าโลหะก็คือของไม่ใช่ไม้ไม่ใช่พลาสติก ไม่ใช่กันดาษไม่ใช่อะไรเนี่ยถ้างเรียกว่าครุครุพันธ์เป็นครุ้เนี่ยเป็นถ้วยเป็นจานแม้แต่ช้อนใบเดียวช้อนด้ามเดียวเล่มเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นครุพันธ์นะตะพีใบเดียวนะเป็นครุพันธ์ถ้วยใบเดียวก็ถือว่าเป็นครุพันธ์เสียมด้ามเสียมด้ามเดียวเล่มเดียวเนี่ยบอกจกด้ามเดียวเล่มเดียวเป็นครุพันธ์ทั้งนั้นถ้าเราเอาโดยไม่ถูกต้อง โดยยึดถือไปเป็นกรรมสิทธิ์คือว่าเอาของสงฆ์ไปเป็นของส่วนตัวนี่เป็นโทษยิ่งถ้าเอาด้วยลักษณะหการขโมยอย่างที่กล่าวมาแล้วนะ่ะก็ยิ่งเป็นโทษหนะักให้เราจำไว้ว่ากิริยาขโมยเป็นกิริยายังไงกิริยาขโมยก็คือเอาอะไรก็ตามไม่อยากให้คนเห็นมีศิยว่ากิริยาขโมยเช่นอยากต้องการสิ่งนี้เวลาจะเอาก็มองซ้ายมองขวาก่อนถ้ามีคนอยู่ก็ไม่เอา แต่ถ้าไม่มีคนเผลอคนที่ไหเมื่อไหรแล้วก็ยิบเอาอันนี้ก็เขาเรียกว่ากิริยาขโมยให้เราจําไว้นะบางทีมันมีการเลาบ้างหรือเปล่านะจําไวนะ้แล้วก็กิริยาขโมยอีกอันหนึง่งคืออยากได้ของสิ่งนี้มองไปเห็นคนนั้นมองไปเห็นคนนี้นะไม่กล้าเอาอี่เป็นกิริยาขโมยอันหนึง่งแต่มันยังไม่เอานะมันไม่เป็นโทษ เห็นเขาแล้วไม่กล้าเอานี่ไม่กล้าเอานี่นี่เป็นกิริยาขโมยอันหนึ่งแต่ยังไม่เอามันยังไม่เป็นโทษมันเป็นโทษที่ใจมันใจมันพานึกพาคิดกิริยาหนึ่งมองไปแล้วไม่เห็นใครและเอาอันนี้เอาพอเอาแล้วก็ถือว่ากรรมสิ้นสุดแล้วแหละถือว่าเป็นบาปเป็นกรร ม, มต้องระวังพวกเราอยู่ถ้ำกลางหนทางเพื่อความสุขเพื่อความเจริญโดยบุญเนี่ย เราไม่ต้องการที่จะประสบพบเห็นกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แม้แต่เราเนี่ยเป็นหัวหน้ามุงอยู่ตรงนี้เราก็ไม่ตั้งใจไม่ปรารถนาจะให้หมุงประสบความหายาณะอย่างนั้นแต่ทาไงเราจะได้รู้ทั่วถึงกันว่าใครทําผิดใครทําถูกต้องอะไรยังไงเราก็อาศัยการฝึกฝนอาศัยการกอบรมกันอยู่อย่างนี้แหละเพราะสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ดีนามเนี่ย ไม่นำความสุขไม่นำความเจริญมาให้กับเราเท่านั้นแหละอย่ามีอุบายอย่ามีกนอย่ามีมายาเรามาอยู่ด้วยกันเนี่ยเราอยู่ด้วยกันด้วยการตรงไปตรงมาเป็นฆราวาดก็ตามเป็นพระเป็นเนรก็ตามให้ประพฤติต่อกันด้วยการตรงไปตรงมาอย่ามีกนอย่ามีอุบาอย่ามีมายาอย่ามีเล่ห์ในอย่างนั้นอย่างนี้อืม คำว่ามายาเนี่ยมันมันเป็นเหตุผลที่ไม่ใช่ไม่ใช่หลักของธรรมอุบายที่ประกอบไปด้วยมายาไม่ใช่เหตุผลที่เป็นไปตามอํานาจของธรร ม, มเหตุผลที่เป็นไปโดยธรรมก็คือเหตุผลที่ประกอบไปด้วยประโยชน์ถึงแม้ว่าอาจจะทําให้คนนั้นถูกสะกิจจิตสะ ก, กิดใจอยู่บ้างแต่ก็เกิดประโยชน์อืม แต่ถ้าหากเป็นเหตุเป็นอุบายเป็นมายาคำว่ามายาเนี่ยเป็นเรื่องการเสแส้งแกล้งนะเกาเรียกว่ามายาบางทีเป็นเรื่องของกิเลสเนี่ยพอเราทำไปแล้วมันไม่เกิดประโยชน์มันเกิดโทษอยู่ด้วยอยู่ด้วยอยู่ด้วยเหตุด้วยผลตรงไปตรงมาเหตุผลโดยธรรมคื อ, อยังไงเหตุผลโดยธรรมคืออะไรที่มันถูกสินถูกทำนั่นแหละเหตุผลโดยธรรม เพียงแต่เราใช้ใช้ความนึกคิดด้วยปัญญาของเราทั้งเลย อ, อาจจะแตกต่างโมยู่แต่ว่ามันไม่ผิดธรรมนี่เขาถือว่าใช้ได้วันที่แตกต่างโม่ด้วยะเป็นคนเป็นอบายด้วยมันเป็นอุบายของกิเลสที่เรียกว่าคนอุบายเนี่ยแล้วก็ไม่ประกอบด้วยธรรมเป็นไปเพื่อความโลภของตนเองเนี่ยเป็นไป เพราะโกโรธเนี่ยถือว่าไม่เป็นธรรมเป็นไปเพราะโลภความโลภของตัวเองพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้ใช้อบายอย่างนั้นอย่างนี้หนีไม่เป็นธรรมไม่ตรงไปไม่ตรงมาดูที่ไหนรู้ดูที่ใจของตัวเองถึงจะรู้ดูที่เจตนาในใจของตนเองกรรมที่มันเกิดที่เจตนาน่ยมันละเอียดมันอยู่ข้างในบางคนชอบใช้เพราะอะไรเพราะคนอื่นไม่รู้ไม่เห็น มันเกิดที่ใจเจ้าของเองแต่เจ้าของเองรู้เห็นรู้เห็นแล้วก็ไม่ยอมที่จะปลดไม่ลอมที่จะปล่อยปละละว่าไม่ยอมที่จะขู่ที่จะขัดที่จะดักจะแปลงตัวเองปล่อยให้มีอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นนี่มันเป็นโทษเป็นโทษเจตนาตัวนั้นเป็นเจตนาที่เป็นโทษเจตนาที่เจตนาที่เป็นคุณคือเจตนาที่เป็นธรรม แม้แต่กิริยาที่แสดงออกไปนั้นอาจจะเป็นกิริยาที่อาจจะดูเหมือนแล้วเหมือนจะกระทบกระทั่งอยู่บ้างแต่ว่าเกตนาดีหวังความสุขหวังความเจริญอันนี้ไม่มีใครรู้เจ้าของรู้เราต้องดูมาแล้วก็มาดัดแปลงแก้ไขตัวนี้เพราะอุบายมายาทั้งหลายทั้งปวกนะั้นมันเกิดที่ใจใจมีกิเลสอุบายมายานั้นจึงเป็นอุบายมายาของกิเลสกิเลสมันไม่มีอะไรหรอก มันแสดงออกตามอำนาจของความอยากความโลภความโกรธความหลงมีอำนาจอำนาจของกิเลสมายาของกิเลสดูไปที่ไหนไม่รู้ดูมาที่เจตนาที่ขึ้นมีขึ้นที่ใจของเรารู้แม้กิริยาที่ ท, ท, ที่ที่เราพูดออกไปก็เหมือนกันกิริยาทางวาจากิริยาที่เราแสดงออกไปทางกายที่เราว่า ก, กายกรรมก็เหมือนกันอมันจะบริสุทธิ์ได้อยู่ที่เจตนา บางทีอาจจะพูดผิดบ้างอะไรบ้างแต่ว่าเรามีเจตนาในใจเราดีบางทีพูดนิ่มนวลอ่อนหวานขนาดไหนก็ตามแต่ว่าเจตนาเราไม่ดีหวังลาบสักกะหวังความโลภหวังความอยากเนี่ยมันมันไม่บริสุทธิ์แหละมันเคลือบแฝงไปด้วยตัณหาราคะเป็นเจตนาที่ไม่ดีดูมาที่เจตนาน แต่ถ้าเจตนาดีเราใช้ได้อาจจะพูดกระทบกระทั่งอะไรอยู่บ้างแต่ก็ดูไปที่ความบริสุทธิ์ที่เจตนาของเราแต่บางทีเขาอาจจะกระทบกระทั่งอะไรอยู่บ้างมีปากมีเสียงมีอะไรกรันโอ้เราไม่ได้เจตนาบางทีปากว่าไม่ได้เจตนาแต่ว่าใจมันเจตนาหรือไม่เจตนาเจ้าของก็ต้องดูต้องรู้ถ้าบริสุทธิ์จริงๆอ๋อไม่ได้เจตนาจริงๆเจตนาเราเป็นอย่างนี้ แต่พอเราพูดไปแล้วเราสแสดงกิจกรรทางกายทางวาจากับคนนั้นคนนั้นไปแล้วเขาอาจจะตีความผิดเข้าใจผิดความหมายผิดอะไรผิดเป็นอย่างะไรเขาโกรธเขาเครียดเขาอะไรตัวอะไรแต่เจตนาของเรากุศลในใจของเราไม่เสียนเะนี่ยเราก็ต้องชี้แจงให้เกิดความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นคําว่าปรับความเข้าใจมันจึงมี อ, อบางคนก็ปรับความเข้าใจถ้าไม่มีเจตนาที่บริสุทธิ์ใจ มันก็กล่าวคาเทศออกมาอีกเหมือนกันเช่นเช่นมีความไม่บริสุทธิ์อยู่ในใจแต่ก็กล่าวสารภาพแสดงความบริสุทธิ์ออกมาทางวาจาเนี่ยเนี่ยเพราะฉะนั้นมันดูไม่ออกเจ้าของเท่านั้นดูออกอันนี้เป็นเรื่องละเอียดนะดูในใจเจ้าของให้มันออกเรื่องเจตนาเจตนากายกรรมก็ตามเจตนาวจีกรรมก็ตาม ม, มันขึ้นอยู่กับมนโนกรรม มโนกรรมมีเจตนาบริสุทธิ์กายกรรมไม่จีกกรรมก็พลอยบริสุทธิ์ไปด้วยคืออาจจะกระทบกระทั่งอยู่บ้างแต่ว่าตัวเราเองเราไม่มีโทษเพราะเรามีเจตนาบริสุทธิ์แต่ถ้าหากมีเจตนาไม่บริสุทธิ์ถึงว่าจะพูดจะจาจะกล่าวจะอะไรอ่อนหวานขนาดไหนก็ตามก็ยังมีโทษอยู่นั้นแหละเพราะสิ่งที่เป็นผิดเป็นภัยคือกิเลสมันเป็นทุกข์เป็นโทษมันแสดงออกที่ใจ แล้วก็หลงเพลินลุกอำนาจให้กับมันถึงถึงไม่แสดงกิเยามาทางใจถึงไม่แสดงกิเยามาทางกายทางวาจาแต่นึกคิดในใจมันก็เป็นโทษอยู่แล้วแต่ถ้าแสดงกิเลออกมาทางทางกายทางวาจามันผิดศีลมันผิดศีลยังยังไม่ควรพูดไม่ควรพูดเท็จก็ไปก็ไปพูดเท็จผิดศีลแล้ว นึกคิดอย่างนี้ด้วยเจตนาที่ไม่ดีด้วยเจตนาที่ไม่ดีแต่พูดออกมาดีเป็นการกล่าวคำเทศ น, นี่ก็เป็นโทษเป็นโทษให้ใหกับตัวเองศีลก็ขาดด้วยขาดทั้งศีลขาดทั้งธรรมอันนี้มีความสาคัญอยู่ศีลกับธรรมนี่จะสัมพันธ์จะสัมผัสสัมพันธ์นกันไปเรื่อยจะสัมผัสสัมพันธ์นกันไปตลอดศีลกับธรรม เช่นอย่างศีลเนี่ยแต่ละข้อแต่ละข้อถ้าเราถ้าเรามาดูแล้วเราก็จะเข้าใจว่าศีลก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งอเช่นอย่างปลานานเราฆ่าตัดเพื่อความโลภเราฆ่าคนเพื่อความโลภเนี่ยฆ่าสัตว์เพื่อความโลภเอาเนื้อเอาหนังมันมากินเราฆ่าคนเพื่อความโลภเช่นอย่างขัดผลประโยชน์กันเรนาก็ฆ่าฆ่าเพราะอะไรเพราะความโลภเออถ้าคนนี้อยู่ จะมาขัดคอเราอย่างนี้อย่างนี้ น, นี้จะมาหักล้างเราด้วยเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้เพราะนี้เราค่าเสียแล้วเราจะได้ทรัพย์เหล่านี้เนี่ยอํานาจของกิเลสอืออานาจของอํานาจของกิเลสในใจมันพอเราค่าคนปั๊บมันผิดศีลด้วยประนติบาตแล้วก็ผิดธรรมด้วยทําผิดที่ไหนทําผิดที่ใจอ่าี่ผิดศีลด้วยมันผิดธรรมด้วย อาทิตนาคืเช่นเดียวกันขโมยของเขาเพราะความโลภรักของเขาเพราะความโลภ ก, กาเมก็เหมือนกันไปเล่นลูกเล่นเมียเขาเพราะอำนาจของความโลภยากอยาแล้วก็โลภโลภในสิ่งที่เจ้าของไม่มีสิทธิ์ผู้หญิงก็ไม่มีสิทธิ์ผู้ชายก็ไม่มีสิทธิ์ลูกเขาก็ตามเมียเขาก็ตามผัวเขาก็ตามเราไม่มีสิทธิ์ ลูกเขาเราก็ไม่มีสิทธิ์เมียในเมื่อพ่อแม่เขาไม่ให้เมียเขาเราก็ไม่มีสิสทธิ์สิทธิเป็นผัวของเขาผัวเขาเราก็ไม่มีสิทธิ์ในเมื่อเราไปล่วงละเมิดสิ่งที่ไม่มีสิทธิ์เราทำด้วยอานาจของความอยากเห็นไหมโลคมันเป็นเรื่องของตันหาราคะภายใ น, นใจเพราะแสดงกิริยาออกมาข้างนอกผิดศีลิดเกี่ยวข้องไปล่งละเมิดลูกผัวของเขา ผิดศีลด้วยผิดธรรมด้วยถ้าเราตีความหมายอย่างนี้เราได้ประโยชน์จากการที่เราเราศึกษาเรื่องศีลเป็นเห็นให้เราเข้าใจละเอียดลึกเข้าไปว่าศีล น, นี่มีความเกี่ยวข้องมีความผูกพันกับจิตของเราตลอดเพราะต้นตอของไปของมันไปจากจิตผลที่แสดงออกมาเป็นเรื่องศีลเป็นเรื่องทุศีลก็เป็นเรื่องไปจากจิตเพราะฉะนั้นมันมีส่วนผิดทั้งศีลผิดทั้งธรรม อย่างที่เคยเปรียบเทียบให้ฟังอยู่เรื่อยๆบ่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่จะพึงทะลุทะลวงออกมาทางกายทางวาจาสินที่จะทะลุออกมาทางกายฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เนี่ยประพฤติผิดในกามถ้าเรานึกคิดเฉยๆมันจะไม่ขาดนะสินจะไม่ขาดนึกคิดภายในใจเฉยๆเรายังไม่ฆ่าสัตว์นียสินก็ไม่ขาดนึกคิดเฉยๆเรายังไม่ลักทรัพย์เนี่ยสินก็ไม่ขาด เราเห็นลูกเมียเขาเนี่ยเราอยากเฉยเฉยนึกคิดเฉยเฉยแต่เราไม่ไปล่วงละเมิดเนี่ยศีลเราก็ไม่ขาดศีลเราไม่ขาดแต่ถ้าสแสดงกิริยาออกมาทางกายทางวาจาเมื่อไรละ่ะศีลขาดศีลขาดด้วยทำขาดด้วยนึกคิดเฉยเฉยนั้นไม่ได้ล่วงละเมิดทางกายทางวาจาเนี่ยทำขาดศีลไม่ขาดนี่เราต้องเข้าใจรวมมาถึงการพูดเท็จ พูดเท็จก็พูดพูดไม่จริงตามความเป็นจริงพูดเพื่อที่จะให้เขาหลงกลหลงบาหลงมายานี่นี่เเป็นโทษมันก็ผิดศีลนั่นแหละมันพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อลาบเพื่อยศเนี่ยมันพร้อมที่จะน้อมไปเพื่อความโลภเพื่อจะน้อมไปเพื่อความโกรธคิดเฉยเฉยไม่เป็นโทษแต่กล่าวเท็จออกไปนี่เป็นโทษขาดทั้งศีลขาดทั้งธรรมสุราก็เหมือนกัน สุรามันเป็นวัตถุน้ํำนี่เป็นวัตถุที่พอเราดื่มไปเอาน้ํานั้นเข้ามาที่กายมันไปทําลายประสาทสมองเพราะมันเป็นแอลกอฮอล์มันขึ้นสมองขึ้นเปลี่ยนดันสมองทําให้สมองคนเราไม่ปกติทําให้การทรงตัวไม่ปกติเห็นไหมเดินทั้งเดินทั้งคลานทั้งเซ่สายเซ่ขาอย่างนั้นคือทรงตัวไม่ปกติก็เรียกว่ามันทําลายสติ ท่งตัวไม่ปกติทำลายสติเมื่อเมื่อมันไปทำลายสติความลึกได้ว่าเจ้าของจะพูดอะไรจะทำอะไรมันก็มีน้อยบางทีไปพูดในสิ่งที่ผิดๆสิ่งที่ไม่ควรพูดก็พูดนี้กิริยาทางกายที่ไม่ควรทำโทษมันก็ไปทำง่ายๆนี่คือเล่าเล่าเป็นวัตถุนะหรือด้วยเหตุที่ใจของเรามันยาก พอใส่เข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันเคลิบเลบิมีความสุขอย่างนั้นอย่างนี้แท้จริงทุกจะตายบางคนทุกจนตายทุกเพราะเมาเหล้าทุกจนตายนะบางคนกินแต่กินแต่เหล้าไม่กินข้าวบางทีนอนตายอยู่บางทีไม่ถึงขนาดนั้นก็ตามกินไม่หยุดไม่หย่อนไปก็เป็นโรคตับแข็งเป็นโรคความดันเป็นโรคทําให้ปลประสาทอุดตัน ทำให้โลหิตฝอยอุดตันแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเสียหลักเสียพื้นเพย์ทางั้นทางด้านศีลธรรมก็คือกินเหล้าไปแล้วเนี่ยพอเราเข้าป่าแล้วยังอื่นลืมหมดแหละมันพร้อมที่จะเอื้ออํานวยให้ศินข้อหนึ่งขาดก็ได้ะพร้อมพร้อมที่จะให้ฆ่าคนก็ได้ฆ่าสัตว์ก็ได้พร้อมที่ให้ลักทรัพย์ก็ได้บางคนเมาตึงๆเนี่ยไปหาลักทรัพย์เนี่ย พอเวลาเขาขัดขืนมาฆ่ากันง่ายๆเมาตึงๆนี่แหละไปลวนลามลูกเขาเมียเขาเนี่ยนี่เป็นโทษตามมาแหละเมาตึงๆนี่พูดพูดอวดพูดอ้างพูดเท็จพูดอะไรสารพัดได้นี่มันไปจากเมาอย่างเดียวนี่เพราะฉะนั้นท่านจึงบัญญัติเป็นศีลข้อห้าศีลทั้งห้าข้อเนี่ยศีลทั้งห้าข้อเป็นทั้งศีลเป็นทั้งธรรมให้เรารู้ให้เราเข้าใจเอาไว้อืม มันเป็นข้อพิรัดข้องดเว้นถ้าเราจะเทียบเหมือนกับเป็นอะไรล่ะเป็นกาวเหนียวเหนียวเป็นลิ่มแน่นๆ่นที่ตีอุดเข้าไปที่รูเนะ่ะรูที่กิเลมันทะลักออกมาทางกายทางวาจากิเลส ต, ตัวนี้มันแสดงมาทางกายทางวาจานะถ้าเรียกว่าวิติกมกกักิเลสกิเลสที่จะพึงก้าวล่วงทางกายทางวาจาแต่ท่านนึกคิดในใจก็มีโทษเฉพาะที่ใจ ถ้าก้าวล่วงมาทางกายทางวาจาก็มีโทษทางกายทางวาจาด้วยอไปเกี่ยวข้องคนอื่นก็ต้องได้รับโทษฆ่าสัตว์ก็ต้องได้รับโทษฆ่าคนก็ต้องได้รับโทษเป็นเวรเป็นภัยเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เว้นเว้นเว้นเวรมณีเวรมณีให้เว้นอเวรมณีให้เว้นให้ละให้เว้นอืเพราะเราทําไปแล้วมันเป็นเวรมันเป็นภัยอืม เวรามณีคือท่านให้เว้นให้ละให้เว้นทำไมท่านจึงให้ละให้เว้นเพราะว่ามันเป็นเวรมันเป็นภัยต่อกันแลวกันถ้าเราจะเทียบกับกุศลกรรมมบทมันก็เป็นมันก็เป็นทุตจริตกายทุจริตรวิจีทุจริตมโนทุจริตกายทุจริตไวิจีทุตจริต มีผลสืบช่วงมาจากมโนทุจริตเป็นกุศลกรรมบดอกุศลกรรมบด ท, ทุจริตเป็นอกุศลกรรมบดสุดจริตเป็นกุศลกรรมบดคำว่ากรรมบดเนี่ยเป็นทางเดินของกรรมบ่อใบไม้ถอถุงบดบดตัวนี้แปลว่าทางเดินบดบดท้ายรี่คือทางเดินกรรมบดคือทางเดินแห่งกรรมทางเดินของกรรม กรรมของใครจะบริสุทธิ์เนี่ยจะต้องบริสุทธิ์ที่ใจของตัวเองอจะต้องบริสุทธิ์ที่ใจของตัวเองการที่จะบริสุทธิ์ที่ใจของตัวเองจะต้องรู้ด้วยว่าอันนี้เป็นศีลอันนี้เป็นธรรมถ้าเราไม่รู้ว่าอันนี้เป็นศีลอันนี้เป็นธรรมเราสําคัญว่าอันนี้ถูกอันนี้เป็นศีลอันนี้เป็นธรรมบางทีเราทําไปแล้วมันก็ผิดเหมือนกันเนื่องจากว่า ian, เราขาดการได้ยินได้ฟังขาดการศึกษาเพราะฉะนั้นการฟังจึงเป็นเรื่องสําคัญ อ, อ ทําห้เราได้ข้อปฏิบัติพอเราฟังไปแล้วเราก็ไปไข่ครวนอันนี้เป็นนี้นี้เป็นนี้อันนี้เป็นนี้อันนี้ทําไปแล้วผิดถูกอย่างนี้ผิดอย่างนี้อย่าันนี้ทําไปแล้วถูกต้องอย่างนี้เมื่อเราไปไข้ครวนดีงามแล้วเราก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามนั้นตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าปัญญาสุตตามยะปัญญาได้ยินได้ฟังกินตามมยะปัญญาไปนึกไปคิดไปไข่ครวน เห็นว่าอันนี้ถูกเต้าดีงามตั้งใจประพฤติปฏิบัติตั้งใจประพฤติปฏิบัติปฏิบัติให้รู้ยิ่งเห็นจริงก็คือปฏิบัติให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยให้เห็นเหตุเห็นผลว่าอะไรคือสาเหตุอะไรคือสมุทัยอะไรคือต้นตอเป็นเหตุให้เราต้องมาทํากายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเป็นเหตุให้เรามาทํากายสุดจริตกายทุจริตกายสุดจริตวิจิทุจริตวิจีสุดจริตมโน สุดจิตมโนทุตจิตเนี่ยมันต้องรู้จักถ้าเราไม่รู้จักเราก็ไม่มีข้อปฏิบัติกิเลสมันก็ดึงจิตของเราไปทํางานทุกวันเวลานาทีวันๆก็ตามหลังมันต้อยต้อยต้อยต้อยอืมบางทีเราตั้งใจจะรักษาศีลเนี่ยมันมีกําลังมากกว่าโอกาสที่เราจะละเจ้าเวนนี่ะทั้งๆที่เราตั้งใจจะรักษาศีลโอกาสที่เราจะละเจ้าเวนแต่ว่ามันมีโอกาสเอื้ออํานวย ด้วยเหตุที่เราสมาทานสิน น, นี่เราก็ลืมซะเห็นกระปอมกาเอเห็นแยน่เห็นตะกโกนเงี้ยแล้วมันก็เห็นปลางเงี้ยทั้งๆ ท, ที่ถือสินอยู่หนึ่งเพราะได้ช่องได้โอกาสสิ่งเหล่านั้นเ อ, เอเื้อมอยนอกป๊อกๆนี่นี่ก็แสดงว่าถูกกิเล ม, มันพรางแล้วถูกกิเลมันลูกคลําแล้วถูกกิเลมันพรางแล้วไม่ได้ถือไม่ได้ยึดไม่ได้ถือไม่ได้ปฏิบัติตามที่เราตั้งใจเอาไว้ ตั้งที่เราคิดว่าเราตั้งใจสมาทานศีลการตั้งใจภาวนาก็เหมือนกันบางทีเราก็คิดว่าแต่เราภาวนาเราภาวนาเนี่ยนั่งนึกนั่งคิดนั่งอะไรเรื่อยเปื่อยว่อนหาที่หลงไม่เจอจิตใจไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวสติไม่ได้อยู่กับจิตกับใจจิตใจไม่มีสติไม่มีสัมผัชัญญะไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัว แต่กม็มีความสําคัญว่าแต่เจ้าของภาวนาภาวนาภาวนาอูวดอ้างแ บ, บงกเบงกล้ามอย่างนั้นแหละนี่เราจะรู้ได้ยังไงเราจะรู้จักตอนเมื่อเราย้อนเข้ามาที่ตัวเราถ้าเราไม่ย้อนมาเราไม่เห็นเราย้อนมาเราไม่เห็นแหละเราต้องย้อนมาถ้าเราย้อนมาแล้วเราจะเห็นเพราะฉะนั้นภาวนาหนาทีสิบนาทีครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงอะไรก็ตามท่านจึงให้ตั้งใจตั้งใจทําให้ใจมันอยู่ มันอยู่กับอะไรเช่อย่างเราบริการพุทโธพุทโธก็ให้มันอยู่กับคาว่าพุทโธเนี่ยมันอยู่สักห้นาทีสิบนาทีครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเราก็พยายามทำให้มันอยู่ในเมื่อเรากำหนดจดจองมาอย่างนี้เนี่ยพอมันไปปัป๊บเราก็รู้เร็วมันไปปัป๊บ <Yeah. S 1> มันรู้เร็วรู้เแล้วเราก็ดึงมาปัาป๊บทันแล้วก็ดึงมาปัาป๊บทันแล้วก็ดึงมาปัาป๊บทันแล้วก็ดึงมาอ ความสําคัญของเรามันก็แมเมื่อเรามาอยู่ในข้อปฏิบัติต่งตางๆเหล่านี้ <c oughs> ความสําคัญของเราสําคัญทีอว่าเราตั้งใจภาวนาตั้งใจภาวนาแต่เราไม่อยู่ในข้อปฏิบัติอยู่ในการตั้งจิต้อยไม่ถูกปล่อยจิตล่องลอยไปตามเรื่องของกิเลสกิเลสมันก็พาไปต้องการให้สงบมันก็สงบไม่ได้นดี่คือภาวนาถ้าเราให้สงบไม่ได้เราก็พยายามพิจารณา พิจารณาในแง่ของเหตุของผลในแง่ของศีลของธรรมพิจารณาตะล่อมไล่ไปตะล่อมไล่มาไล่มาไล่ไปเอออันนี้เป็นศีลอันนี้ไม่เป็นศีล อ, อันนี้เป็นธรรมอันนี้ไม่เป็นธรรมตะล่อมไปตะล่อมมาตะล่อมมาตะล่อมไป Pale. เราก็มาปรองลงที่เอออันนี้เป็นธรรมอันนี้เป็นศีลอันนี้เป็นธรรมล้วก็ตั้งใจภาวนาต่อไปให้อยู่แต่กคําภาวนาพุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธรู้สึกตัวตลอดอื ไม่ประสิทิจากความรู้สึกตัวรู้สึกว่าจะของภาวนาเนี่ยรู้สึกว่าจะของว่าพุโทโธพุธโทโธเนี่ยบางทีเราว่าเฉยเฉยเราไม่รู้สึกนะไม่รู้สึกก็คือไม่มีสติแล้วปากมุกมิเฉยเฉยแล้วเราทําไงอ่ะทํำไงเรามันถึงจะชัดเจนเร็วขึ้นเร็วขึ้นให้เราเอาใจว่าพุโทโธอย่าไปเอาริมปากฝีปากพุโทโธพุธโทโธเลยเอาใจเนี่ย เอาใจว่าพุทโธพอเราเอาใจว่าพุทโธนี่มันจะแนบแน่นไปถึงถึงจิตถึงใจทีเดียวนะอืปากไม่ต้องมุกมิบละอะไรไม่ต้องเกี่ยวข้องละเอาใจผู้รู้รนี่แหละเป็นผู้ว่าพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ข้างในนะไม่ต้องมาคํานึงถึงเสียงคําว่าพุทโธไม่ต้องมาคํานึงถึงปากมุกมิบลิ้นกระดกกระเดกกระดกกระเดกอยู่ข้างในนะไม่ต้องคํานึงถึงสิ่งที่เป็นรูปนี่ให้คํานึงถึงถึงสิ่งที่เป็นนามเอาใจว่าพุทโธพุทโธ ลองตั้งไว้อย่างนี้มันสงบเร็วนะมันสงบเร็วแต่บางครั้งมันก็จะเผลือมาที่ปางแล้วมุกมีพุโทโธพุโทโธพุโทโธก็ะช่างมันในเมื่อมันไม่ประจักษ์ความรู้สึกตัวเราก็เราก็ทาไปแล้วก็พยายามเจาะลึกเข้าไปให้ภาวนาที่ใจเพราะภาวนาที่ใจมันละเอียดลึก้าไปสว่างสวายอยู่ข้างในที่ใจดูอย่างนี้ทำอย่างนี้ เราอยู่ท่ากลางข้อปฏิบัติมันก็จะได้ประโยชน์วันคืนล่วงไปเราทำอะไรมันก็ได้ประโยชน์ทั้งนั้นแหละจะเสียสละวัตถุสิ่งของพยทานจะเสียสละอัตภาพร่างกายเรียวแรงทำนูน้ทนทำนี่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยมันได้ประโยชน์ทั้งนั้นแหละใครทำใครได้ใครไม่ทำก็คือไม่ได้ ความดีก็ตามความไม่ดีก็ตามใครทำใครได้ใครไม่ทำก็คือไม่ได้แต่กิเลสภายในใจของเรามันมันจะไม่อยู่นิ่งมันจะไม่อยู่เฉยมันจะไม่ปล่อยให้ใจเราอยู่เฉยเฉยเละมันจะมันยุ่แย่ก่อครวในใจของเราทุกวันทุกเวลาทุกนาทีถ้าเราไม่มีหลักทำไปกากับใจกิเลสเอาใจไปใช้ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาที ในที่สุดเราเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานให้เกลื่อน ม, มันเหยียบ ม, มันย่าไปมาที่รถเยี่ยวรถอยู่เนี่ยตลอดมันลงตาท่านเทีนะที่รถเยี่ยวรถลงไปที่หัวที่หัวใจเป็นสมบัติของมันมันเอาไปใช้หมดทำไมจะเอามาใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งใจภาวนาตั้งใจปฏิบัติเสียสละเสียสละอะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับเสียสละคือ ให้อภัยเป็นทานให้ความให้อภัยเป็นทานให้ อ, อภัยกับสัตว์ก็ถือว่าเป็นการให้อภัยเป็นทานไม่โกรธไม่เครียดอะไรกับมันเป็นยุงเนี้ยไม่เจาะมากวนเรานี่ยไม่โกรธไม่เครียดให้กับมันอ่ะเป็นแมลงวันเนี่ยมันมาตอมข้าวปลาอาหารเนี่ยที่เรากําลังจักกาลังทําอยู่แล้วไม่โทษมันก็มันก็ดูไปที่ความจริงดูไปที่ความจริงมันไม่เป็นโทษมันไม่เป็นภัย ตัวเราเราดูอย่งนี้เราก็ได้รับได้ความจริงไม่เป็นโทษไม่เป็นเบี้ยไม่เป็นภัยที่สําคัญก็คือให้อภัยให้ความให้อภัยกับคนเพราะคนมันสามารถจะต่อ ก, กันได้เขาอาจจะทำนีทำ้ทํานี้บางทีเราไปคาดไปเดาแล้วก็มาถือเครียดถือโกรธอะไรกับเขาทั้งๆ ท, ที่เขาไม่รู้เรื่องอย่างนี้ก็มีหรือบางทีเขาอาจจะมีกิริยาที่ร่วงเกินเราบ้างแต่เราก็ให้อภัยเขา แทนที่จะเป็นเรื่องเป็นราวมันก็ไม่เป็นเรื่องเป็นราวจิตใจของเราก็ชุ่มเย็นแทนที่จะเรื่องจะตอกรรมของเขาให้ยาวมันก็ตอไม่ยาวเพราะเราเป็นคนระงับยับยั้งเรื่องกรรมของเราได้มันก็เป็นประโยชน์กับเรามันก็เป็นประโยชน์กับเขาคือการให้อภัยเป็นฐานการให้อภัยเป็นฐานเป็นมันเป็นการมาระงับกิเลสที่ใจของเราะอ่า แล้วก็สูงมากไปกว่านั้นอีกก็คือให้ธรรมะเป็นทานพูดบอกวิธีที่ถูกต้องดีงามเพื่อทําสิ่งนุน้นสิ่งนุน้นเพื่อทําเพื่อเวิ น, นเพื่อมะเพื่อผลเพื่อนิพพานเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าให้ทําเป็นทานชนะ ก, การให้ทั้งปวงเพราะผู้ที่ฟังอัดฟังทำไปแล้วสามารถเดินตามเราได้ปฏิบัติตามเราได้เป็นอัดเป็นธรรม เราไม่ต้องพูดถึงทำก็ได้เราทุกพูดถึงข้อปฏิบัติอย่างอื่นที่วิธีการใดๆที่มันถูกต้องดีงามเราบอกกันได้โดยที่เราไม่ต้องคิดถึงทำก็ได้แต่ถ้าเราเข้าใจเรื่องอัดเรื่องทำเรื่อแล้วเราก็บอกเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องวิธีการที่ถูกต้องดีงามยังไงจะถูกต้องเป็นชินเป็นธรรมเราก็บอกสอนวิธีการนั้นถือว่าการให้ทำเป็นทานทิ้งต่างๆเหล่านี้ย่อมชนะให้ทาน วัตถุทานเขามีผลมีอนิสงส์ให้ธรรมทานก็เป็นผลเป็นมีผลมีอนิสงส์ให้อภัยทานก็มีผลมีอนิสงส์แต่ออนิสงส์สูงสุดก็คือให้ธรรมะเป็นทานให้ความถูกต้องให้ข้อปฏิบัติที่ดีงามกับเขาเขาจําได้แล้วเขาไปประพฤติปฏิบัติก็เป็นผลเป็นประโยชน์กับเขา ต้งองปรตั้งใจทําก็พ้นทุกพ้นโทษไปพ้นทุกพ้นโทษเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นเรื่องนั้นไปตั้งแต่เ พ, พื้นธรรมดาจนวิมุตติหลุดพ้นไปมันก็เป็นผลเป็นประโยชน์ท่านคิดว่าให้ทําเป็นทานผู้ที่ท่านถึงทำแล้วเนี่ยท่านให้ทําเป็นทานอย่างพุทธเจ้าพระสาวกพระอริยาสาวกค ร, ร, รูบาอาจารย์ที่ท่านถึงถัดถึงอัดถึงทำท่านให้ทําเป็นทานคือให้ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามเป็นทาน เราออาไปพระพุทธปฏิบัติแล้วเป็นการเจริญรอยตามท่านท่านถึงความสุขเราก็เดินตามเพื่อความสุขความเจริญตามท่านไปจึงมีผลเมียนสงฆ์นี่ปนการให้ทานศีลก็มีผลเมียใ น, นสงฆ์มาเพื่อกำกับกายของเราให้ปกติวาจ้าของเราให้ปกติไม่มีโทษนี่เป็นการสรุปนะธรรมก็คือภาวนาสมถาภาวนาวิปัสนาภาวนาพูดเรื่อง ภาวนาทำกิดให้ได้รับความสงบวิธีการการ็ <c oughs> เหมือนอย่างที่เล่าเล่ามานี่ย แ, แต่หลายคนหลายจริตหลายนิสัยบางคนนิสั ย, ยงั้นถูกนิสัยอย่างนี้ถูกก็เลือกปฏิบัติตามกันไปแต่การที่เราตั้งใจบริการภาวนาตามเยี่ยงอย่างครูบาอาจารย์เราไม่ผิดยิ่งอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านยึดหลักคําว่าพุทโธเพื่อสมถะทําไปทําไปพุโทโธมันกลายเป็นวิปัสสนาได้หรือเราอย่ายึดหลักมหาสติปัฏฐานเนี่ย เอากายเป็นอารมณ์เอาเวทนาเป็นอารมณ์จิตเป็นอารมณ์เอาธรรมเป็นอารมณ์คือเอาสติมากำกับที่กายเอาสติมากำกับที่เวทนาเอาสติมากำกับที่จิตพิจารณาจิตพิจารณาเวทนาพิจารณากายพิจารณาเห็นความเกิดความดับของมันพิจารณาเห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันที่เกิดของมันที่ดับของมันที่ตั้งอยู่ของมัน ที่ดับไปเข้ามาโดยไม่ให้มีคามําว่าตัวตนของเราเข้าไปเกี่ยวข้องในสิ่งต่างๆเหล่านั้นอืใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาแต่ต้องเป็นสติต้องเป็นจิตที่มีสติครับไม่ใช่จิตเปลือยเปล่าไม่มีสมาธิ ด, ด้วยไม่มีสติสัมปชัญญะที่ดี ด, ด้วยพอเรานึกคิดพิจารณาปับ๊บกิเลสมันก็มาสวมรอยมันก็ดึงเราไปแล้วพิจารณาปับ๊บกิเลสมันก็มาสวมรอยมันดึงเราไปแล้ว มันสวมลอยอย่างง่าอย่างละเอียดอย่างนิ่มนวลอย่างเส้นผมบางภูเขาจริงๆดูที่ดูที่ใจของเราเนี่ยมันละเอียดมันนิ่มนวลจริงๆคืออรมันสวมลอยเข้ามาสวมลอยเหมือนกับต่อหน้าต่อตาเราจริงๆแต่ถ้าเราดํารงสติดํารงสัมปชัญญะดํารงธรรมะอยู่อสติอยู่ปัญญาอยู่สัมปชัญญะอยู่ยะอยู่เด่นชัดอยู่ในอารมณ์นั้นๆมันแทรกเข้ามาไม่ได้ แต่ถ้าสิ่งเหล่านี้อ่อนแรงลงไปอ่อนกําลังลงไปมันพร้อมที่จะเข้าสวมรอยก็สวมรอยปั๊บทันทีเราพยายามทําเข้ามายืนอยู่จุดนี้ให้ได้เราจะเห็นช่วงเปลี่ยนแปลงของจิตของเราเปลี่ยนแปลงไปในทางชั่วเปลี่ยนแปลงไปในทางดีทั้งองตั้งใจทุกคนได้ยินได้ฟังเสียงเทพของลุงตาอะไรเอาวิทยุเอาเอะไรไปก็เอาไปฟังเทพลุกตานะ อย่อไปฟังเรื่องซาเปเฮระอย่างอื่นทำลายตัวเองนะอืให้รู้สึกตัวเอาไว้ให้รู้สึกตัวเอาไว้แล้วก็รีบแก้ไขรีบเปลี่ยนแปลงอย่าปล่อยปละละเลยทำลายตัวเองให้ฟังวิทยุคือให้ฟังวิทยุของลุงตานะบางคนก็เอาไปฟังอย่างอื่นฟังไปฟังไประดับจิตใจมันแตกต่างกันเนี่ย ถ้าพูดเรื่องเรื่องของกิเลสแล้วเป็นเรื่องใจของเราเป็นกิเลสทั้งหมดอยู่แล้วพูดถึงเรื่องอะไรเกี่ยวกับกิเลสกิเลสมันขึ้นทันทีพูดถึงเรื่องความโลภน่าอยากได้มก็โลภอยากได้ทันทีพูดถึงเรื่องความโกรธมันก็พลอยโกรธตามทันทีเรื่องความรุ่มหลงราคะตัณหาอะไรมันก็พลอยที่จะเกิดขึ้นทันทีนี้ต้องระวังเหมือนกันคนที่เป็นธรรมฟังดูอะไรเป็นธรรมไปหมด ก็ก็มันก็ได้ประโยชน์แต่ถ้าเราฟังเทศของท่านก็ตามของใครก็ตามที่ท่านเอาธรรมะมาเทศมาบอกมาสอนอันนี้เป็นเป้าหมายเป็นความประสงค์ของเราเพราะว่าข้อปฏิบตัติต่างๆมีอยู่ในนั้นแล้วก็เราไม่มีโอกาสที่จะมาพูดมาคุยกันอย่างนี้ตลอดเรามีโอกาสที่จะฟังอย่างอื่น อรูบายวิธีถูกกับครูบาอาจารย์องค์ไหนกันไหนแล้วก็ฟังเอาไปเป็นข้อปฏิบัติไปคนเราถ้าหากักทนใจจริงๆตั้งใจจริงๆเนี่ยมันหากได้แต่ถ้าสนใจไปพอกว่นั้นแหล ะ, ะ, ะมันก็ตั้งใจพอกว่นั้นแหละทั้งเอาทั้งไม่เอาแหละทั้งอยู่พอวันๆแล้วก็ออกไปแล้วก็มันก็ไม่ได้อะไรแหละพอมาหลบๆอยู่แล้วก็ไม่ได้อะไร มันก็ไม่อะไรดีใจภูมิใจว่าเจ้าของได้บวชได้อะไ ร, ออไดไดะไรนิดหน่อยก็ออกไปละไม่ได้อะไรบางคนทําวัดเช้าวัดเย็นยังไม่ได้ก็ปฏิบัติอะไรก็ได้นิดหน่อยๆบวชห้าวันสิบวันสิบห้าวันนอกจากอัจฉริยะบุคคลจริงๆพวกเรามีใครบ้างเป็นอัจฉริยะบุคคลที่เลิศที่ประเสริฐ เป็นบุคคลที่อศัศจรรย์ผิดมนุษย์มนาธรรมดาธรมรมาเหมือนพระพุทธเจ้าปหายากพวกเราต้องพยายามชำระขัดเกลว์ตกอดต้องทนต้องสู้ต้องฝ่าต้องฝืนอยู่อย่างเนี้ยทุกระยะเวลาต้องศึกษาภายในจิตของตัวเองจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอ น, นอย่าลืมดูมาทิตจิตของเราแม้กเิเลมาแทกยืนมันก็แทกเดิ น, นก็แทกนั่งนอนมันก็แทก ถ้าเราย้อนเข้ามาเหมือนกับเรามาส่งสว่างมาที่ใจของเราพอใจมันเริ่มสว่างสิ่งเหล่า น, นั้นะที่เป็นอสรพิษมันก็หลบความสว่างไปหมดแหละเหมือนอย่างตรงไหนที่อสรพิษมันอยู่ลองเราไปส่งสางสว่างมันจะหลบไปหมดนะมันจะหลบไปหมดสติปัญญาในใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าเราย้อนสติย้อนสัมปชัญญะเข้ามากํากับที่ใจของเราเนี่ยกิเลสที่มันจะโผล่ออกมาเนี่ยมันก็จะหลบไปหล่ะ เรามันแพ้สติแพ้ปัญญาไม่งั้นเราชนะมันไม่ได้ทีเลืมันจะชนะมันไม่ได้พระพุทธเจ้าจะไม่มีโดยเหตุที่ชนะได้พระพุทธเจ้าจึงมีพระสงฆ์สาวกพระรยาสาวกจึงมีด้วยสติปัญญาย้อนมาสิ่งที่เห็นคือเห็นความรู้ความจริงเห็นเกิดความรู้เกิดเห็นความจริงความรู้ที่เกิดขึ้นเกิดเกิดขึ้นจากรู้จริงเห็นจริงเดี๋ยวนี้พวกเราอยู่ติดข้างอยู่ในโลกก็ เราแบกแต่สิ่งที่เป็นจอมปลอ ม, มคือกิเลสแบกในเรื่องของกิเลสเราไม่รู้จริงเราไม่เห็นจริงเราจึงมีการยึดการถือวัดตัวว่าตน ว, ว่าเราว่าท่านนั้นของเราอันนี้ของเราเมื่อยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนแล้วก็สิ่งที่เป็นของของตนก็มีอันนั้นของเราอันนี้ของท่านถ้ามากินแต่แย่งกันไปแย่งกันมาครับอเสริมกิเลสเข้าไปอีกอ เสริมความโลภเสริมความโกรธเข้าไปอีกแล้ว่าแดงกันหีงไม่จบไม่สิ้นโลกเราก็มีอยู่นี้เป็นอยู่นี้พุทธเจ้าท่านจะให้ศึกษาหันมาศึกษาหัมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความถูกต้องดีงามเพื่อพาตัวเองให้พ้นไปจากกองทุกข์กองโทษในวัฏสงสารนี่ใกล้ครวญให้ดียืนเดินนั่งนอนอย่าลืมที่ย้ำเมื่อกี้นี่อย่าลืมย้อนเข้ามาที่ใจของตัวเรา พเพาย้อนมาเราเห็นข้อบกพร่องของตัวเองอย่าให้ความสำคัญใดๆที่ทำให้เกิดทิฐิมานะขึ้นกับตัวเองอย่าให้ความสำคัญมันทางนั้นอันไหนที่เป็นสิ้นเป็นทำเราให้ความสาคัญเราให้ความสำคั ญ, คคญแต่ให้อยู่ในใจอย่าไปอยากแสดงออกเขาแสดงออกบางทีก็ผิดให้เป็นสิ้นเป็นรมให้มีความเห็นถูกตอนน้องดีงามเป็นสัมมาทิฏฐิ สิ่งใดที่สิ่งใที่เป็นมิจฉาทิฐิเราอาจจะนึกคิดบ้างอะไรบ้างตามความพลังเผลอแต่เราก็อย่าพึงสดแสดงออกสดแสดงออกไปแล้วเราเป็นทุกข์เป็นโทษเพิ่มเติมระวังต้องระวังถ้าเราระวังไม่ได้กา ย, ยากรรมไม่จีกรรมขอ ง, ง, งเราก็ไม่บริสุทธิ์รวมทั้งมโนกรรมของเราก็ไม่บริสุทธิ์ถ้าเราระมัด ร, ระวังได้กา ย, ยากรรมของเราก็บริสุทธิ์เป็นสินเพื่อนธรรมวิจีกรรมของเราก็บริสุทธิ์เป็นสินเป็นธรม ร, รม มาจากมนโนกรรมที่บริสุทธิ์คือใจที่บริสุทธิ์เป็นศีลเป็นธรรมนี่คือไปถูกต้องดีงามตามตามหลักตามข้อปฏิบัติตามทางดำเนินเพื่อมักเพื่อผลตั้งแต่พื้นนไปจนถึงสูงสุดได้เอาละพอสมควรกับเวลา